จเจริญพรทุกท่านฟังธรรมะนะไม่ใช่ฟังเล่นๆคนโบราณฟังเขาชอบไปฟังเทศที่วัดฟังตามประเพณีไปที่วัดแต่ก่อนนะคนแก่ๆไปวัดเอาตะ บ, บัดหมากไปดนะ้วยถึงเวลาพระเทศนะต่ำ ม, มากจินไปคุยไปพระก็เทศไปต่างคนต่างทาหน้าที่ จะจบแล้วได้บุญแล้วพอใจฟังเทศอันนั้นฟังตามประเพณีสักแต่ว่าฟังนี่พวกเรามาฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังตามประเพณีแล้วเราก็อย่าไปฟังเอาแค่สนุกฟังธรรมะแล้วต้องให้ได้สาระแก่นสารเอาไปปฏิบัติจริงๆกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ท่านลําบากยากเข็นมากเลย มว่จะรัสรู้ได้นะคนกว่าหาธรรมะเนี่ยใช้เวลาโลกแตกตั้งหลายคนตำราบอกว่าปฏิบัติเนี่ยสร้างบารมีม า, ายี่สิบอสงไขยแสนมหากรัปติสหอสงไขยแรกยังไม่ได้รับพยากรมันได้รับพยากรสนะี่อสงไขยแสนมหากรัปอสงไขยหนึ่งก็คือประมาณศูนย์เลขศูนย์เนี่ยประมาณ1้0ห้าสิบตัว อย่านั้นนะยาวยาวนานมากเลยนี่กว่าท่านจะตัดสู้ได้นะกระทั่งในชาติสุดท้ายเนะี่ยอุชาออกจากวังมาไปนั่งสมาธิกหรือสีนั่งอยู่ไม่นานก็จบหลักสูตรกหรือสีนั่งสมาธิได้ก็ไม่บรรลุธรรมท่านก็พบว่าตอนเข้าสมาธิมันก็สบายดีกิเลสมันไม่ขึ้นมา ออกจากสมาธิกีเลสมันก็กลับมาอีกท่านก็ออกไปหาด้วยตัวเองเป็นทรมานร่างกายทรมาณอยู่หลายปีท่านเกือบตายสลบไปเลยก็มีจนทงท่านคนพบทางสายกลางลงมือปฏิบัติจริงๆใช้เวลาไม่มากแล้วที น, นี้งันที่ท่านได้ธรรมะมานะท่านเอาชีวิตเข้าแลกมา ทันธรรมมาเป็นของสูงนะเรียกว่าแรกมาด้วยชีวิตของพระโพธิสัตว์เลยพวกเราเมื่อฟังทาแล้วอย่าเอาแต่ฟังเล่นๆเพลินๆฟังแล้วก็ทิ้งไปนะปีหน้ามาฟังใหม่อย่างนี้นไม่ได้ประโยชน์เลยฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติไม่เคยมีศีลต้องมีศีลไม่เคยฝึกสมาธิต้องฝึกสมาธิ ไม่เคยเจริญปัญญาต้องเจริญปัญญาเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงทุกวันนี้พวกเราก็รู้ใช่ไหมศา ส, สนาเราง่อนแงนขนาดไหนเราไม่มีที่พึ่งแล้วนะชาวพุทธอะพึ่งราชการก็พึ่งไม่ได้เท่าไหร่หรอกพึ่งนา ก, การเมืองก็พึ่งไม่ได้เท่าไหร่หรอกสนกรทั่งจะพึ่งพระพึ่งยากเลยจะหาใครมารักษาพระพุทธศาสนาไ้ให้เรา ถ้าพวกเราไม่รักษานะ่ไม่นา น, นมันก็จะหมดไปการหมดไปของพระพุทธศาสนามันหมดไปจากนอนบ่อนไส้นี่เเสื่อไปจากภายในนี่เองคนอื่นมาทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็เคยบอกแล้วพุทธบริษัทนี่เองที่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมปฏิบัติไม่สามารถทรงจําพระธรรมวินัยไว้ได้ไม่สามารถรักษาธรรมะไว้ในใจได้ ธรรมะก็ถูกปลอมปนไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านเคยยกตัวอย่างมันมีกล่องไม้โบราณอยู่ไอ้กล่องโบราณเนี่ยคนก็ตีกันมาเรื่อยๆทันทำด้วยไม้ตีไปหลายปีก็ผุส่วนไหนผุนะเขก็ตัดเอาไม้ที่ผุออกเอาไม้ดีใส่แทนเนี่ยมันผุตรงนั้นก็เปลี่ยนไม้ผุตรงนี้ก็เปลี่ยนไม้สุดท้ายนะไอ้กล่องนี้มันก็ยังเป็นกล่องชื่อเดิมอยู่ แต่มันไม่มีเนื้อไม้เดิมเหลืออยู่เลยพราพุทธศาสนาเราก็จะเป็นแบบนั้นชื่อมันเป็นชาวพุทธนะแต่เนื้อในมันไม่เป็นเนื้อในไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นกลายเป็นว่าเป็นชาวพุทธขึ้นมาเป็นช่องทางหาผลประโยชน์อะไรต่ออะไรกันหาเลี้ยงชีวิตกันนี่เราอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมารักษาพระศาสนาให้เราเราต้องรักษาของเราเอง ของดีของวิเศษขนาดนี้เราไม่รักษาไว้มันก็หมดไปถ้าหมดไปแล้วต่อไปลูกหลานเราจะเอาอะไรไปเรียนอีกหรือตัวเราเองไปเกิดใหม่ก็ไม่มีที่จะเรียนวันนี้ยังมีธรรมะให้ฟังก็ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังประ่อพืชปฏิบัติให้ได้ธรรมะไม่ได้ฟังเล่นทำแล้วปฏิบัติฟังแล้วต้องปฏิบัติ ไม่มีศีลก็รักษาศีลไปตั้งใจไว้ก่อนเบื้องต้นตื่นนอนมาก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลห้าเอาห้าข้อพอไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องถึงศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดเลยหรอกเอาศีลห้าให้ได้ก็พอแล้วพอศีลห้าได้แล้วก็ได้มรรคผลละไม่จําเป็นไม่ต้องศีลมากมกหรอกแต่อย่าบรรลุมรรคผลศีลห้าก็บรรลุมรรคผลได้ สซดาสกทาคาอะไรพวกนี้ได้แน่นอนศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษาตื่นนอนมาก็บอกตัวเองว่าเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าเพื่อสําลักข้าวตายจะ ไ, ได้ตายกับศีลห้าก่อนนอนตั้งใจรักษาศีลห้เพื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นไม่ได้ตื่นขึ้นมานอนตายไป ได้ตายอย่างมีศีลตั้งใจเตือนตัวเองเรื่อยๆเราจะรักษาศีลห้าวันหนึ่งหลายห ล, ลายคนเวลาเราจะทําผิดศีลเราจะได้ละอายใจกับตัวเองศีลไม่ต้องไปขอคนอื่นหรอกที่คนแต่ก่อนไปขอศีลกับพระคนละ้ายๆการปฏิญาณตัวให้พระเป็นพยานว่าเราจะรักษาศี ล, ลเราก็เป็นพยานของตัวเราเองก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาพระทุกคราวหรอกเคยมีพระเล่าบอกว่าอาจารย์ อาจารย์เนี่ยญาติโยมมาขอศีลจากอาจารย์ทุกวันเลยอาจารย์ก็แจกให้คนละห้าข้อห้าข้ออาจารย์เลยศีลหมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่เหลือสักข้อเลยง <c oughs> ั้นเราไม่ต้องไปขอใครศีลขี่ขอไม่ได้เรื่องหรอกตั้งใจเอาเองโตแล้วไม่ใช่เด็กนีการรักษาศีลห้าเนี่ยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนแต่มันรักษายากเพราะเวลากิเลสเกิดมันพาให้เราผิดศีล อดยเฉพาสิ่งข้อเสียรักษายากมุสาวาตนะมันไม่ใช่แค่โกหกมุสาวาตเนี่ยมีพูดสอดเสียด้วยพูดสอดเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะกันพูดทางนี้ทีพูดทางนี้ทีอาจจะพูดเพราะนะพูดกับคนนี้ก็เพราะพูดกับคนนี้ก็เพราะแต่ว่าพูดแล้วเขาตีกันอย่างนี้เรียกพูดสอดเสียดพูดคำายาบพูดเพิรเจอร์สิ่งที่พวกเราเป็นก็คือพูดเพเจอร์ พูดเฟ์เจอร์เป็นยังไงไม่จำเป็นต้องพูดก็พูดมีไม้ยใครยังเป็นบ้างยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจชื่นใจยังไงเราชื่นใจที่ลูกศิษย์รู้ว่าเรายังมีข้อบกพร่องไม่ใช่ลูกศิษย์เฟ์เจอร์แล้วหลวงพ่อภูมิใจนะ <c oughs> <c oughs> นี่เราคอยรู้ทันนะวิธีที่จะรักษาศีลให้ดีให้สบายคือคอยรู้ทันกิเลส กิเลสมันเกิดนั่นแหละทําให้เราผิดศีลถ้าไม่มีกิเลสมาครอบงําจิตนะเราทําผิดศีลไม่ได้คนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสทั้งหมดเลยอย่างราคาครอบงําใจเราเนี่ยมีราคะมีความโลภเราอาจจะไปทําร้ายคนอื่นก็ได้เพราะเราโลภอยากได้สมบัติเขาไปขโมยเขาก็ได้ผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้ไปพริ้นกล่อมหลอกลวงเขาก็ได้หรือใจมีโลภะ มีความสุขกระดีกระดาประสบความสําเร็จนี่รับเลิดเปลินห ล, ลงต้องไปกินเหล้านะเลี้ยงฉลองพวกเราใครเคยกินเหล้าเลี้ยงฉลองบ้างมีไหมยกมือให้ชื่นใจมีนะเลิกซะเลิกซะตั้งใจตั้งใจเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นฆราวาสมานานนะรู้ว่าฆราวาสนะ่ะรักษาศีลห้ายากยิ่งเราเด็กๆนะ รับราชาการใหม่ๆสีน้อยๆเนี่ยผู้ใหญ่มันไม่มีสีนะตกเย็นมันก็ชวนเรากินเหล้าถ้าเราไม่กินเนี่นะไม่มีปัญหานะหลวงพ่อไปใช้วิธีกินกลับกินโซดา <c oughs> กินโคกกินอะไรนันไปเขาอยากกินเขาชวนไม่ได้นะนเราค่อยๆฝึกจนกระทั่งคนเขารู้ว่าสแตนดาร์ดของเรามาตรฐานเราเป็นอย่างนี้ไม่กินพอเราซีใหญ่ขึ้นมานะใครมานั่งโต๊ะเราก็ไม่กล้ากินเหมือนกัน เนื้อให้เรามันมีหลักการบ้างแต่ว่าโหลพ่อรักษาศีลไม่ลำบากไม่อึดอจจัดใจเพราะเรารักษาสติเอาสติรักษาจิตเราคอยรู้ทันอย่างโทสะเกิดเวลาคนมีโทสะเกิดนะก็ไปฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมไปแย่งชิงทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งหลอกลูกเมียเขาก็ได้นี่ทําด้วยโทสะไปด่าว่าใส่ร้ายเขาก็ได้นี่ก็ด้วยโทสะหรือจิตใจมันเครียด ไ, ไปกินเหล้าได้ั ร่วมใจก็ไปกินเหล้านี่ก็โทสะเนี่นราคาก็ทําให้ผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อโทสะก็ผิดได้ทั้งหข้อโมหะไม่ต้องพูดถึงหรอกมันจะมีราคะมีโทสะได้ต้องมีโมหะต้องหลงถ้าไม่หลงกิเลสเกิดไม่ได้ราคาโทสะเกิดไม่ได้เนี่ยเราคอยฝึกสติของเรานะรู้ทันจิตถ้ารู้ได้ชํานาญจิตหลงไปจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้อย่างเนี้ ถ้าถึงระดับนี้นะราคาโทสะไม่เกิดแต่ถ้าจิตหลงไปแล้วเรายังรู้ไม่ทันสักพักหนึ่งก็เกิดราคะเกิดโทสะเราไปรู้ว่ามีราคามีโทสะเกิดขึ้นถ้ารู้ตรงนี้นะราคาโทสะก็ครอบงําใจไม่ได้ก็จะไม่ผิดศีลเหมือนกันถ้ารู้ได้เร็วจะรู้ตั้งแต่โมหะถ้าโมหะคือใจที่หลงเนี่ยเรารู้ไม่ทันมันจะเกิดราคาโทสะแต่ราคาโทสะเกิดเรารู้ทันตรงนี้ก็ไม่ผิดศีลเหมือนกัน นะก็ยังใช้ได้แต่ถ้าราคาโทารศส์เกิดแล้วยังไม่รู้อีกคราวนี้แย่แล้วนระอบจะผิดศีลงั้นเราฝึกนะฝึกสติของเราให้ดีที่สุดสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราชาวพุทธไม่รู้จักสติเนี่ยเราล้มเหลวแล้วเคยได้ยินชื่อสติปัฏฐานไหมพุทธเจ้าสอนนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น สติปัฏฐานคือมีสติระลึกรู้ไกายระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้ น, นะระลึกรู้รูรปธรรมนามธรรมที่รวมกันมาเป็นตัวเราเนี่เรียกว่าสติปัฏฐานรู้รูปธรรมนามธรรมนั่นเองถ้าเราไม่มีสติปัฏฐานเส อ, อย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุพดพ้นพูดให้เจ้าฝันธงขนาด น, นี้เพราะเรื่องสตนะิเป็นเรื่องใหญ่มากเลย เบ้องตอนยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานให้มีสติรู้ทันกิเลสก่อนนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันตัวอย่างนี้พวกเรารู้จักโลภไหมโลภเป็นไหมโลภอย่างมาที่นี่ใช่ไหมเขามีของกินให้กินใช่ไหมนะกินแล้วเราเพลิดเพลินพอใจในการกินนี่ก็โลภนะนะกินแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกปากไม่อร่อย เนะงินหะยิดนักอสาหนักรถมากินทั้งทีไม่อร่อยอะไรเงี้ยในี่ยโทสะเนี่ยนะแค่นิดนิดเดียวนะราคาก็เกิดโทสะก็เกิดเดินตากแดดมามีความสุขไหมแดดร้อนจัดเมืองเพชรเนี่ยร้อนมากเลยนะแดดเครี้ยงๆเดินมาใจไม่มีความสุขเนี่ยโทสะก็แซรกละพอนะดีเมฆมาบางลบพัดเย็นๆมาสบายแค่นี้ราคาก็แทรกละ ราคาโทสะมันแทรกตามเว ท, Sweden, DIE, ทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มีความสุขนะราคาก็แทรกมีความทุกข์โทสะก็แทรกนี่เราคอยฝึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันพวกเรารู้จักกิเลสอยู่แล้วโกรธเป็นยังไงเราก็รู้โลภเป็นยังไงเราก็รู้หลงเป็นยังไงเป็นยังไงเราก็รู้ฟุ้งซ่านโถถูเป็นยังไงเราก็รู้รู้บ่อย รู้ไปเรื่อยๆถ้เรารู้บ่อยๆต่อไปพอกิเลสเกิดสติระลึกรู้ปับ๊บกิเลสจะดับอัตโนมัติเนี่ความอัศจรรย์ของธรรมะนะเราไม่ต้องดับกิเลสเราไม่มีหน้าที่ไปละกิเลสเลยนะแต่เรามีสติรู้ทันว่ากิเลสเกิดกิเลสดับของมันเองเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะ เมื่อไรมีสติกิเลสก็ดับไปงั้นะเรามีสติเรามาฝึกสติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรก็รู้ทันกิเลสในใจของเราเนี่ยนะัตัวนี้บ่อยๆเราจะได้ศีลถัดจากนั้นเราพัฒนาขึ้นไปจะมารอรู้ราคาตัวสะเราก็ไม่ผิดศีลก็ยังชา้าเรารู้โมหะเข้าไปเลยโมหะคือความฟุ้งซ่านของจิตความหลงความฟุ้งซ่านสังเจนไหมจิตเราไหลตลอดเวลา เดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเดี๋ยวหลวงพ่อจะหยุดพูดให้ดูนะจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วเราเราอยากคิดนะลองลองไม่คิดดูสิลองดูอ้าคิดไหมคิดคิดทั้งนั้นนะบางคนคิดพุทโธพุทโธบอกเนี้ยไม่ได้คิดก็คิดพุทโธแหละนะก็คิดนั่นแหละจิตมันชอบคิดนะ แต่ว่าคนทั่วๆไปมันคิดแล้วมันไม่มีสติมันหลงนั่นจะตระเวนเปิดเปิงไปเวลาคิดก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาดูก็หลงไปอยู่กับการดูอย่างเวลาเรานั่งรถมาเจอรถชนกันเนะี่ยรถชนกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะทั้งสองฝั่งรถจะติดเพราะว่าคนอีกฝั่งหนึ่งที่รถไม่ได้ชนนะมันต้องดูสนใจมันเกิดอะไรขึ้นดูสัหน่อยอย่างเงี้ยนะรถก็ติดไปหมดเลย ขณะที่เราดูรถชนกันนะขณะนั้นเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจของตัวเองเราดูอะไรเราเห็นอะไรเห็นรถชนกันเนี่ยใจเราหลงไปหลงไปดูเวลาเราฟังนะเราตั้งใจฟังอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีกายเราก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนะนั่นหลงไปเวลาเราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่ขณะที่เราคิดอย่างเรานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ยุงกัดไม่รู้เลยใช่ไม ร่างกายเจ็บนะยุงกัดไม่รู้หรอกนะหรือว่าเวลาคิดไปแล้วเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้คิดไปแล้วเกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นมาเราก็ไม่รู้เรารู้แต่เรื่องที่คิดเพราะฉั้นบางทีเราก็นั่งคิดไปนะั้นรู้เรื่องที่คิดนะที่แย่กว่านั้นก็มีอีกคือคิดอะไรยังไม่รู้เลยเคยเป็นไหมนั่งไปเรื่อยๆคิดอะไรก็ไม่รู้หูนี่เรียกว่าหลงสุดยอดเลยนะเข้าขั้นสุดขีดเลย ประเภทตายแล้วจะไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยนะให้คอยรู้ทันนะคอยรู้ทันมีสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หลงถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่รอบที่โกรธนะซีนไม่จะเกิดถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปสมาธิจะเกิดสมาธิเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านจิตของคนทั่วไปนั้นฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งคิด อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อหยุดพูดไหมจิตมันหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้หรอกธรรมชาติของมันฟุ้งซ่านหลวงปู่ดูลบอกจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลตลอดเวลาไม่ห้ามแต่ให้มีสติรู้ทันถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไ ป, จ, ไ ป, จ, ไ ป, จ, ไปจิตหลงไปจิตไหลไปเมื่อนั้นสติเกิดขึ้นมาแล้วนะความฟุ้งซ่านจะดับอันตโนมัติเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลส เมื่อไรมีสติเม่นั้นไม่มีกิเลสงั้นอาศัยสตินี่รู้ทันใจหลงไปคิดแวรู้หลงไปคิดแล้วรู้ที่จริงมันหลงได้หกช่องนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจแต่หลงที่มีมากที่สุดคือหลงทางใจเราหลับตาสิลองหลับตาลองดูแต่เกิดแม่ใจเกาคิดได้เอาลืมตานะหลับตาตอนบ่ายห้ามหลับนานเดี๋ยวไม่ยอมลืมอีกต่อไป ลืมอีกทีหลวงพ่อกลับแล้วยิ้มหานยิ้มไว้เห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกนะเขาเนี้ยคอยรู้สึกอย่างนี้แล้วเราค่อยมีสตินะคอยรู้ทันราคาโทรศัพท์เกิดรู้ทันเราจะได้ศีลความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันเราจะได้สมาธิสมาธิก็คือความตั้งมัน่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมันม่นมันตรงข้ามกับจิตที่ฟุ้งซ่าน นะถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านก็ไม่มีสมาธิเมื่อไหร่มีสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แค่นี้เองนี่อยู่ๆเราจะไปห้ามจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องเล็กนะอย่างบางคนนั่งสมาธินั่งพุโทโธพุโทโธนั่งรู้ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบอย่หวังจะไม่ให้จิตมันคิดทำยากเพราะจิตมีหน้าที่คิดจะไม่ให้มันคิดนี่ยาก แทนที่จะฝึกสมาธิแบบทุรักทุเลแบบนั้ น, นใช้สติปัญญาเนี่ยสบายมากเลยในการสร้างสมาธิรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดเองง่ายกว่าบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเห็นไหมมันสองทางนะอันหนึ่งบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านโดยการเอาจิตไปผูกไว้กับอารมณ์กรรมฐานเช่นผูกไว้กับพุทโธพุทโธไม่ให้หนีไปที่อื่นผูกไว้กับลมหายใจผูกไว้กับท้องฟองยุบผูกไว้กับการขยับมือตามจังหวะ เอาจิตไปผูกไว้เพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านทํายากฝึกกันหลายปีแล้วถ้าไม่ฝึกสักพักเดียวก็เสื่อมนั้นสมาธิอย่างนั้นเสื่อมง่ายฝึกยากมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นคือใช้สติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ความฟุ้งซ่านจะดับทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดอันนี้อยู่ในพระสูตรเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าอาชาติศัตรู อยู่ในพระสูตรที่สองนะชื่อสามัญญผลสูตรดูสิสสำคัญขนาด น, นั้นนะอยู่ในสูตรที่สองเลยทำไมท่านสอนพระเจ้าชาติสัตรูถ้าให้มีสติรู้ทันอย่างนี้ชาอาชาติศัตรูเป็นกริย์เป็นนักคิดนะนักบริหารอย่างพวกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ทำไร่ทำนานนะส่วนใหญ่เราทำงานที่ใช้ความคิดออกและ้เราเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้ว ไม่ใช่คนอย่างรุ่นครูบาจารย์เพื่อนครูบาจารย์นะท่านเป็นชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ท่านมีเวลาเยอะนะทำนาเสร็จแล้วพากทั้งหลายเดือนมีเวลาไปนั่งสมาธิของเราไม่มีหรอกของเราหนะ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันเลยวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งไม่มีอะไรกระทบก็เล่นเฟซเล่นไลน์หาเรื่องกระทบไปอีกนะอฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกนะใจเราฟุ้งซ่านเก่งอย่างเนี้ยจะไปน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะ ไม่ใช่เรื่องง่ายอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หนีไปนี่ทําไงมันจะรู้ทันทาไมสติจะเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสั่งไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดอะไรเป็นเหตุของสติการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ จ amended, ิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเช่นมันจำได้จำอาการที่จ <ikh> ิตไหลไปจิตหลงไปคิดเนี้ยจิตหลงไปคิดเราเห็นบ่อยๆพอเราเห็นจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะต่อไปพอจิตหลงไปคิดปุ๊บมันจะมีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดโดยที่ไม่ได้เจตนารู้อย่างนี้สติมันเกิดแล้วเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างบางคนขี้โมโห ชีมโมโหเราก็จะฝึกสติด้วยการคอยดูเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หายโกรธ จ, จิตมันจําความโกรธได้แม่นมันจำได้ว่าความโกรธรูปร่างหน้าตาเป็นแบบเนี้อพอพุ่งขึ้นมานะถ้าโกรธน้อยๆเต้นๆอยู่กลางหน้าอกถ้าแรงขึ้นมันก็ขึ้นมาสูงถ้าโกรธเต็มที่เลือดขึ้นหน้าเลยพุ่งขึ้นหัวเลยนะถึงตรงนั้นเรียกว่าเห็นช้างเท่าหมูนะไม่กลัวใครละเนี่ยถ้าจิตมันไปเห็นความโกรธบ่อยๆ มันก็จะจําได้ว่าความโกรธเป็นยังไงเพราะความโกรธเกิดนะสติจะเกิดเองมันจะเกิดตัวรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันว่าเอ้าโกรธแล้วนี้ถ้าเราจะฝึกให้ได้สมาธิเราคอยรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่ไหลไปนะดู บ, บ่อยๆดู บ, บ่อยๆลองแบ่งเวลาไว้วันหนึงสินาทีอย่างน้อยที่สุดนะวันหนึงสัก15นาทีไม่ต้องมากกว่านั้นออกมากกานั้นเครียดเราสักวันนึ่ง15นาทีคิดว่าเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า นะดีกว่าต้องเสียเงินเสียทองนะได้บุญจากการปฏิบัติเนะียบุญใหญ่กว่าทําทานซีกการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะในเวลาสัก15นาทีไหว้พระส่วนมนต์อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตนะเช่นท่องพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปนิ่งๆิ่งว่างๆงอยู่รู้ทันหรือจะทำกรรมฐานรู้อานาปณสติรู้ลมหายใจก็ได้ หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจอยู่รู้ทันค่อยรู้ทันจิตไว้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไว้จิตมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปสองลักษณะหนึ่งมันเคลื่อนไปคิดอันที่สองมันเคลื่อนไปจ้องตรงที่มันเคลื่อนไปคิดก็ฟุ้งซ่านนะเคลื่อนไปจ้องก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะแต่ฟุ้งคนละแบบฟุ้งแบบเก่งๆหนะ่อยแบบฉลาดหน่อยฟุ้งไหลไปแต่ไปเกาะอารมณ์นิ่งสบายอยู่ ส่วนไอ้หลงไปคิดเนี่ยฟุ้งอุตรุดไปเลยเดี๋ยวราคาโทรศัพท์ก็จะต่ำมาให้เราทำกรรมฐานสัก15นาทีนะไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบแต่ทําเพื่อให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจําตรงนี้ให้ดีนะหลักตรงนี้ถ้าคิดจะทําเพื่อให้สงบเนี่ยทำยากแต่ทําเพื่อจะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ยากเลยเพราะมันฟุ้งเก่งอยู่แล้วมันฟุ้งอัตโนมัตินั้นทำกรรมฐานนะถ้าจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้ จะฟุ se, hard, mind, guests, to to See, ้งไปคิดก็รู้ทันฟุ้งไปเพ่งจ้องอารมณ์อยู่ก็รู้ทันเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เดินจงกรมนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปจ้องอยู่ที่เท้าอย่าที่ชอบฝึกกันยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้านะอันนั้นไม่มีสมาธิที่ดีเลยเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิจ้องใส่อารมณ์นะอันนั้นทํามิปัาสนาไม่ได้เพราะสมาธิที่ไปจ้องอยู่ที่อารมณ์อันเดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชาน อารมณูอารมณะว่าอารมณ์อย่างเราเดินจงกรมนะยกเท้าอย่างเท้าเนี่ยสติเราจับอยู่ที่เท้าตลอดเนี่ยเพ่งอยู่ที่เท้ามีเท้าเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณูปนิชฌาเป็นสมถะกรรมฐานนะดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้คือสมถะกรรมฐานต้องแยกให้ออกแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยสมาธิจะเป็นอีกแบบหนึง่งจิมจะเป็นคนดูจิมจะตั้งมั่นมันตั้งมั่นโดยการที่เรารู้ทันมีสติรู้ทันเวลามันไม่ตั้งมั่น มันไหลแล้วเรารู้มันไหลเรารู้อย่ารักษามันนะบางคนพอมีจิตตั้งมา่นเรารักษาจิตเอาไว้ตัวเนี้จิตจะแข็งแข็งทื่อๆใช้ไม่ได้เลยเป็นมิจฉาสมาธิไปอีกแบบหนึ่งงั้นเราคอยรู้ทันนะทํากรรมาฐานซึ่งอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลรู้บ่อยๆนะซ้อมวันนึงสักสิบห้นาทีเราไปพอชํานาญขึ้นอาจจะเพิ่มรอบเช้านะเพิ่มรอบเช้าอีกสักสินาทีอะไรเงี้ยหรือกลางวัน กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมานแต่คอยรู้ทันจิตเดินให้อาหารย่อยเดินสบายๆไม่รีบร้อนเดินไปแล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยทากรรมฐานอย่างนี้นะอย่างน้อยวันหนึ่งรอบหนึ่ง15านาทีต้องทำให้ได้ไม่งั้นนะภานาลำบากสมาธิไม่มีคารวะเนี่ยขาดสมาธิอย่างร้ายแรงนะ ชีวิตคาวาะวันๆหนึ่งมีแต่ความฟุง้งซ่านงั้นแบ่งเวลาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแรกของแถมไม่ได้สมาธิขึ้นมาอย่าบังคับจิตให้นิ่งให้คอยรู้ทันจิต ท, ที่ฟุง้งซ่านจำไว้ให้ดีนะตัวนี้เป็นเคล็ดของการปฏิบัติถ้าเรารู้ทันจิต ท, ที่ฟุง้งซ่านความฟุง้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดอัตโนมัติสมาธิที่มันเกิดอัตโนมัตินะจิตจะมีลักษณะเบา นุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจขี้คล้านไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืมไม่เทอะสมาธิที่ไม่ดีเนี่ยจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งจะสึมจะเทื่อนกะงั้นเรฝึกนะอาศัยสติส ต, สติรู้ทันราคะสติรู้ทันโทสะอะไรเงี้ยศีลมันก็เกิดสติรู้ทนันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิมันจะเกิดแต่ถัดจากนั้นเราก็อาศัยสติมาเจริญปัญญา นี่พอจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วต่อไปมีสตินี่แหละไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแต่รู้สึกด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นนะต้องฝึกให้ได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นก่อนถ้าเราจิตไม่ตั้งมั่นรีกว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจเจริญปัญญาไม่ได้เพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจาได้ไหมอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ การจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติภาษาแขกเรียกว่าธิระสัญญาถอถุงสือตะไยรอเรือธิระสัญญาการจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอย่างเราแค่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิมจะตั้งมั่นว่ามันมีความสุขจิมจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในตัวของมันเองมันจะมีความสุขนะแล้วสมาธิมันเกิด แล้วการที่จะเกิดปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ตัวนี้สำคัญนะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยกายเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตของเราจะรวมเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่ง ความสุขความทุกข์เป็นดีกันหนึ่งความจําได้หมายรู้เป็นดีกันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกันหนึ่งจิตอยู่อีกเป็นดีกันหนึ่งโอกาสที่จะแยกอย่างนี้ได้ก็เกิดขึ้นเพราะเราจําหลวงตามหาบัวได้ไหมสิ้นไปหลายปีละนะหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าจเจริญปัญญาเนี่ยก่อนที่จะแยกธาตุแยกขันได้นะจิตต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นเสียก่อน จิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายมันทํางานดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูดูร่างกายกินอาหารดูร่างกายขับถ่ายนะจิตเป็นคนดูดูร่างกายอาบน้ําร่างกายเช็ดตัวร่างกายแต่งตัวร่างกายหวีผมอะไรเนี้ยเห็นร่างกายมันทํางานจิตมันอยู่ตะหากนะมันเป็นแค่คนดูหรือจะอย่างน้อยนะในขันห้าเนี้ยในขันห้าอย่างน้อยต้องแยกได้สองขัน ขันหนึจะต้องเป็นจิตคือเป็นคนดูอีกอันหนึ่งนะั้นเป็นผู้แสดงอาจจะดูร่างกายแสดงก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจิตเป็นคนดูถ้ามีแค่สองอันเนี่ยใช้ได้แล้วถือว่าแยกแล้วนะหรือจะดูสุขทุกข์ก็ได้เห็นความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะอย่างเรานั่งเนะี่ยวิธีฝึกนะวิธีหัดดูนั่งให้สบายเลยจะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ได้ แต่นั่งแล้วอยากกระดุกกระดิกนั่งนานๆนั่งไปสักพักเดียวก็ปวดเมื่อยนะมันจะเมื่อยนะนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยนั่งเก้าอี้เมื่อยไหมเนี่ยทำไมต้องขยับนี่ยนั่งก็เพราะมันเมื่อยใช่ไหยขยับไปขยับมาเรา่ขยับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลานะทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยอย่างเมื่อยมันก็ขยับไปขยับมาเยอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ถ้นั่งนานก็ลุกขึ้นเดินอย่างเงี้ยเปลี่ยน อริยาบทเนี่ยปิดบังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์นะอิริยบทเป็นตัวปิดบังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ในร่างกายเนี้นี่ถ้าเราอยากเห็นความทุกข์นะเราลองเอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบต้องนั่งนิ่งๆนั่งนานๆพอ n นานๆสักเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยแล้วนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่แรกมันไม่เมื่อยนะต่อมาความเมื่อยเกิดขึ้นจิตมันเป็นคนดูอยู่ที่แรกไม่เห็นมีเมื่อยนะเมื่อยกับจิตนะคนละอันกันนะ จิตมัน iner, ดูอยู่ก่อนแล้วไม่เห็นมั่ยเลยว่าความมั่ยมาทีหลังมันจะรู้เลยว่าความมั่ยกับจิตเนี่ยคนอ่านกันนะอย่างนี้ก็ได้นะคือเห็นกาอันนึงจิตอันหนึ่ ง, นหนงเห็นเวทนาคือความสุขความทุกข์ความปวดความววามนะั่ยอะไรเนี่ยกับจิตเป็นคนดูเนี่ยอีกอันนึงมีอันนึงเป็นคนดูอันนึงเป็นผู้แสดงแยกอย่างนี้ใช้ได้นะต้องอย่างน้อยต้องมีผู้ที่เป็นคนดูคือจิตอยู่อันหนึ่งก่อนแล้วอีกอันนึงเป็นตัวแสดงค่อยๆฝึกเราถนัดอะไรเราอันนั้นอะ ถ้าถนัดดู ก, กายที่เรียกว่ากายญานุปัสสนานะท่านสอนบอกว่าที่สูตทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เห็นไหมมันจะมีกายก็มีจิตที่สูตทั้งหลายเมื่อยืนอยู่รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ใครยืนใครนั่งร่างกายยืนร่างกายนั่งใครรู้ จิตเป็นคนรู้เห็น ไ, ไหมไม่ต้องมี2อันอย่างน้อยอันหนึ่งคือจิตพิสูจน์ทั้งหลายมีความสุขเกิดขึ้นนะให้รู้ว่ามีความสุขความสุขเป็นของถูกรู้นะใครเป็นคนรู้ว่ามีความสุขจิตเป็นคนรู้ว่ามีความสุขพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะอะไรมีราคาราคาราคะเป็นสังขารขั น, นเป็นตัวที่แสดงให้เราดูราคามันผ่านมา หรือโทสะมันผ่านมาใครเป็นคนรู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีโทสะจิตเป็นคนรู้นะมจะมีจิตที่เป็นคนรู้งั้นเราต้องฝึกให้ได้จิตที่มีเป็นคนรู้นะหือนนี้ยสาคัญมากเลยถ้าเราไม่มีนะอย่ามาโม้อเลยเรื่องสติปัฏฐานนะทําให้ตายก็ไม่ใช่สติปัฏฐานหรอกมันไม่มีตัวรู้งั้นตัวรู้ได้มาจากอะไรได้มาจากการรู้ทันว่ามีตัวหลงนี่แหละนี่นะ ใจหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้เราก็ได้ตัวรู้ได้ตัวรู้แล้วก็วเห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนรู้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปจิตเป็นคนรู้เห็นความดีความชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึก อ, อย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาแล้วนะเรามีสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเราก็มาเดินปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิาไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะสมาธิที่ดีสัมมา ส, สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเร็วๆหยยมีเ่ายายแบบมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลื่อเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ทําให้เกิดปัญญานะทําให้ปัญญาอ่อนด้วยซ้ําไปนั่งไปแล้วเห็นผีมามอย่างโน้อนอย่างนี้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นหมดเลยนะเห็นหวยเห็นเบอร์เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดเลย ไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองเท่านั้นะนะ <g ül> มันก็เลยมรรคผลนิพพานมีไม่ได้หรอก <g ül> งานสมาธิต้องให้ถูกนะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสตินี่แหละรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายหายใจออกสติเป็นตัวรู้ร่างกายหายใจเข้าสติเป็นตัวรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ สติไปรู้แต่จิตเป็นคนดูอยู่ตหาหะกนะให้ฝึก อ, อย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเห็นถ้วยไหมใครเห็นถ้วยเป็นเราว่าปรึกษาจิตแพทย์เลยนะอะไรที่มันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอกมันของง่ายๆเท่านี้เองงนะั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มันจะเห็นนะทุกอย่างแนละ้วไม่ใช่เราหรอก ตัวเราไม่มีหรอกเนี่ยค่อยหัดรู้หัดดูไปนะเนื้อสัญญามันเกิดถึงวันหนึง่งปัญญามันแก่รอบแล้วมรรคผลจะเกิดไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุเองมรรคผลได้เกิดขึ้นเองแต่อยู่ๆมรรคผลไม่เกิดต้องมีเหตุเหตุของเราก็คือเราอบรมศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่กล้าถ้าศีล ส, สมาธิปัญญาแก่กล้าแล้วเนี่ย อริยมรรคจะเกิดเองอริยมรรคจะเกิดเองเห็นไหมที่หลวงพ่อสอนมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่เรื่องที่ทําไม่ได้เท่านั้นเลยสติสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เห็นยหมแล้วศีลน่ะอยู่ๆจงใจรักษารักษายากอาศัยสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดมันก็ไม่ผิดศีลหรืออาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปมันก็เกิดสมาธิเองอยู่ๆไปสั่งให้สมาธิเกิดมันยากเนี่ยทำไม่ได้สักอย่างหนึ่ง ศีลก็สั่งให้เกิดไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้นะต้องมีองค์ประกอบของมันครบเนะศีล ส, สมาธิปัญญามันถึงจะเกิดอาศัยสติรู้ทันกิเลสศีลจะเกิดอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายสมาธิจะเกิดแล้วก็อาศัยสติรตู้รูป ร, นน ร, นะ ร, ร, ร, รู้นามอย่างที่กําลังเป็นอยู่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคเจิเกิดเอง นะเวลาที่อริยมรกจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิชาตินี้เรายังไม่เคยเข้าฌานเลยนะไม่ได้ฝึกเข้าฌานด้วยเราฝึกที่จะมีศีลสมาธิปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละถึงจุดที่มันพอนี่นะจิตจะเข้าฌานของมันเองจิตจะเข้าฌานด้วยตัวของมันเองทําไมมันเข้าฌานไดนะ้เพราะจิตเนี่ยหมดความยินรนสแสวงหานะการที่จิตเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งมันเห็นนะ ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวโรคหลดหลงก็เป็นของชั่วคราวอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยเพราะจิตมันเห็นอย่างทองแท้อย่างนี้แล้วนะจะสุขหรือจะทุกข์นะจิตก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะจิตรู้ว่าเป็นของชั่วคราวจะเกิดกุศลหรืออกุศลจิตก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะมันรู้ว่าเป็นของชั่วคราวทั้งดีและชั่วก็ชั่วคราวทั้งสุขและทุกข์ก็ชั่วคราว เนี่ยเราฝึกพาจิตให้ดูของจริงหรือฝึกเจริญปัญญาไปเรื่อยเพื่อให้จิตรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้ามันเห็นตรงนี้แล้วจิตเกิดปัญญาตรงนี้แล้วนะเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่ดิ้นรนถ้าคนไม่ได้ฝึกนะความสุขเกิดขึ้นจิตจะดินะด้นรนว่าทํำยังไงความสุขจะอยู่นานๆหรือความสุขหายไปจิตก็ดิ้นหิวความสุขอยากได้ความสุขอีกนะหรือความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐาน ความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้หายเร็วๆแล้วก็อยากให้มันไม่เกิดอีกเนี่ยแต่นักปฏิบัติจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเจริญวิปัสสนานะเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีเพราะมันของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายเพราะมันของชั่วคราวพอมันเห็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายจิตไม่ปรุงแต่งต่อ จิตที่มันไม่ดิ้นไปอย่างไม่ปรุงต่อไปนั่นแ ะ, ะจิตนั่นแหละทรงสมาธิในระดับที่ละเอียดขึ้นมานะถึงจุดหนึ่งนะมันรวมเข้าในอัปปนาสมาธิเลยรวมลงไปแล้วนั่นก็เกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นเราไม่ใช่นั่งพอนานะแล้วก็ขาดสติวูบลงไปตื่นขึ้ น, นมาเราก็บอกว่าบรรลุโสดาเย่านั้นไม่ได้นะมีเยอะเลยประเภทนั่งแล้วก็ <c oughs> บรรลุไปแล้ว นั่งต่อเอาวูบที่สองได้สักตาขาแล้วชั่วโมงเดียวนะได้พระละหันไปสิบรอบแนละ้วเพราะกึ๊บกึไปเรื่อยเงี้ยเล้วไหลมากเลยนะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะบางคนนะนั่งไปแล้วจิตดับนั่งไปมากหรือเดินเดินจงกรมอย่างหนักเลยนะจนมันเครียดสุดขีดเลยสตรสมากมกดดันมากๆกดดันตัวเองมากๆานะจิตทนไม่ไหวนะจิตจะหลบดับความรับรู้ลงไป จิตที่ดับความรับรู้ลงไปนะจะเหมือนจะไม่มีจิตนะคือไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งๆอยู่เนี่ยแล้วบอกแล้วเนี่ยบรรลุมักผลเพราะไม่มีจิตเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยขณะที่บรรลุอริยมรต์มีจิตนะชื่อมัคคจิตขณะที่บรรลุอริยผลก็มีจิตนะชื่อผลจิตมัคคจิตผลจิตรวมกันทั้งสี่บดวงสี่ิชนิดนะนั้นไม่ใช่ไม่มีนะงนั้นเวลาที่เกิดอริยมรต์เนี่ยยังเหลือจิตอยู่ ร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญหรอกแต่เหลือจิตอยู่นะไม่ใช่วุบหมดสติไปแล้วก็บรรลุวุบไปหลายหลายทีก็บรรลุได้เยอะหน่อย <c oughs> เลี้ยวไหลนะเป็นความเลวไหลเวลาที่บรรลุมรรคผลมีจิตนะจำไว้นะเรียกว่ามรคจิตผลและจิตอพอสมควรละสี่สิบห้านาทีก็เทศจนถึงมรรคผลแล้วนี่นะเ <c oughs> ทศจนถึงมรรคผลแล้วต่อไปนี้ ศี่ห้าต้องให้ได้นะไม่องั้นอย่ามาคุยอวดเลยว่าจะเอามักผลน่ะสี่ห้าอย่าก็พร้องกับแฝง่ะถามจริงๆอนะ่ะใครคิดจะตั้งใจรักษาศี่ห้าบ้างมีไหมเออตั้งใจแล้วก็พยายามทํานะมันไม่ได้ยากนักหรอกอาศัยสติเนี่ยรู้ทันกิเลสนะใครคิดจะปฏิบัติทำต่อบ้างยกมือสิเอางี้เอ า, เเอามือลงซื่อเลยนะใครคิดว่าฟังเล่นๆแล้วจะไม่ปฏิบัติอ่ะยกมือสิมีไหม ไม่ต้องเกรงใจนะถ้าปฏิบัตินะเราจะได้ผลเราจะรู้ได้ตัวเองหลวงพ่อเข้ามาในห้องนี้นำะหลวงพ่อก็สอดสายสายตาดูไปเรียบร้อยละพวกเรามีพัฒนาการที่น่าดูนะคนซึ่งภาวนากับคนที่ไม่ได้ภาวนาหรือคนที่ภาวนาถูกกับภาวนาผิดนะ่ะหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนที่ภาวนาไม่เป็นนะหน้ามันเครียดหน้ามันดูไม่ได้เลย พูดง่ายๆหน้าเหมือนปละตีนดูไม่ได้นะดูไม่ได้ไม่สวยไม่งามใครรู้สึกว่าตัวเองผ่องใสขึ้นยกมือซิมีไหมนีม่ตลงพ่อจะดูว่าจริงหรือไม่จริง <laughs> ก็จริงอยู่นะนี่ยกยังยกสิเออไม่เห็นเหรอว่ามันเปลี่ยนไปนะ จริงๆดูไม่ยากหรอกนะหลายคน่บอกเลยว่าภาวนาแล้วนะสวยกว่าเก่าอันนี้ไม่ได้โกหกกันเลยนะแล้วเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะจิตมันจะดีดตัวผางออกมาเลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ฉุกเฉินกับชีวิตจะเสียหายไปเนี้ยจิตมันจะดีดตัวออกมาส่งตัวมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาเลยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่เรื่อยๆนะมีบ่อยมากเลยอย่างบางคนไป พาไทลอยเมื่อไม่กี่วันนี้ประเทศเมื่อวานอาทิตย์นะมีหมอคนนึ่งไปพาไทยลอยแล้วก็มันเกิดปนข้างเคียงเนะี่ยมันทําให้แคลเซียมเนี่ยตกแคลเซียมตกเนี่ยเป็นตะคิวทั้งตัวแค่เป็นหมอเนี่ยแ ร, รู้ว่าใกล้จะตายอย่างเงี้ยโอกาสจะตายมีเพราะร่างกายวิ่ลงไปนะอ่อนเรียบอสั่นไปหมดแล้คุมตัวเองไม่ได้บอกจิตมันดีออกมาเป็นคนดูแลเห็นร่างกายจะตายจิตมันเป็นคนดูมันไม่ตกใจสักนิดเลย อย่างนี้ถ้าตายแล้วไปสุคติแน่นอนเลยจิตทรงสมาธิขึ้นมานะหรือเวลาลดคว่ำลดไงลูกศิษย์หลวงพ่อหน้าใจร้อนชอบขับรถเร็วรถคว่ำเนี่ยมาเล่าให้เราฟังบ่อยทีแรกมาลือในแบบว่าหลวงพ่อนี้ปฏิหารพระของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์บอกเองไม่ได้แปรพระเลยยังไม่เห็นเป็นไรเหมือนกันเนะีเพราะอะไรจิต ท, ที่มันฝึกไปดีพอเกิดอันตรายกับชีวิตที่มาจิตมันดีดตัวออกมาเป็นคนดูนะมันเห็นเลยรถกำลังหมุนอยู่ รถหมุนไปหัวกําลังจะโขกอะไรเนี้ยอหลบซะหน่อยอะไรเงี้ย น, นะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะ น, นั้นเป็นเพราะว่าเราฝึกของเรานะเราฝึกแล้วเวลาชีวิตมีปัญหาเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราฝึกนั้นได้ผลมาขนาดไหนนะถ้าเวลาอยู่สบายๆเราไม่รู้หรอกแต่เวลาเกิดเรื่องจวนตัวขึ้นมา เ, เราจะรู้เลยว่าเราไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกนะถ้าเราฝึกแล้วเราจะไม่ใช่คนธรรมดาหรอกเราจะเป็นคนซึ่งมีที่พึ่งที่อาศัย มีตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้เพระฉนั้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อนั่งรถมาตั้งนานเนี่ยวันนี้เพื่อจะมาสอนนะฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่าให้หลวงพ่อเหนื่อยฟรีนะหลงพ่อเนืยฟรีไม่เท่าไหร่อสงสารพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะตรัสรู้ได้นะท่านเหนื่อยแสนสาหัสนะเพื่อจะได้ธรรมะมาสอนพวกเราเราตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการปฏิบัติท่านบอกให้ละอะไรก็ละเสีย ท่านบอกให้เจริญอะไรก็เจริญเสียนะถือว่าเราเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่เรานะคือพระพุทธเจ้าตั้งใจทํานะอย่าขี้เกียจเอาใครจะส่งกันบ้า น, ก า, นาการนมัสการคจ้าค่ะมยมปฏิบัติอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่ายังปฏิบัติถูกทางอยู่มเจ้าคะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมจิตปกติไม่ไม่เหมือนะคะเออถ้าไม่เหมือนก็ถูก <laughs> ตรงนี้มันเพ่งอยู่นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะให้ระวังอันหนึ่งก็คือจิตจะถึงฐานหรือไม่ถึงฐานใครดูตัวนี้เขารู้ทันรู้ตัวอยู่แต่จิตไม่เข้าฐานก็มีนะนะถ้าระวังตัวนี้จิมจะอยู่ข้างนอกถ้านะระวังไว้ทาไมจิตไม่เข้าฐานสมาธิไม่พอเวลาที่เราเจริญมิปัสนานะเช่นเราเห็นอารมณเกิดดับเนี่ยที่จิตเคลื่อนตามอารมณ์ออกไปแล้วอารมณ์ดับไปนะจิตไปบ้างๆอยู่ข้างนอก จิตนี่ไม่รู้ทันเลยว่าตัวเองอยู่ข้างนอกนะตรงนี้วิปัสสนูปะกิเลสจะเกิดบางทีมีแต่ความสุขล้วนๆเลยสุขอยู่ได้นานหลายๆวันเลยนะมีความสุขเยอะไหมช่วงนี้ช่วงนี้มีความสุขจข้าค่ะจิตมันไม่เข้าบ้านจิตมันไปสว่างโล่งสบายอยู่ข้างนอกตัวนี้ชื่อว่าโอภาษสว่างสว่างสบายรู้สึกไหมสว่าง ส, สบายเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่ง มิปัสนมีสิบตัวนะส่วนที่นักดูจิตเจอเนี่ยทุกคนเลยแทบทุกคนที่หลวงพอ่อเคยเห็นมาที่เจอโอภาสจะไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกไม่เข้าบ้านเพราะงั้นพาจิตเข้าบ้านแล้วจะเห็นทุกนะถ้าจิตอยู่นอกบ้านจะเห็นแต่สุขเห็นสุขไม่บรรลุธรรมดอกต้องเห็นทุกวันนี้หนู อ, อ, อธิษฐานมาเลย ว, ว่าตรงไหนที่ผิดขอให้หลวงพ่อช่วยช่วยแนะนําให้รู้ทันนะเราฟุ้งซ่านเก่งค่ะงั้วเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ฟุ้งซ่านนะถ้าทําได้อย่างนี้จะเจริญเร็วจิตสงสัยทราบไหมสงสัยค่ะจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้หัดรู้สภาวะไปได้คนฟุ้งซ่านคนช่างคิดเนี่ยสิ่งที่ตามความช่างคิดมาคือความสงสยัยสังเกตไหมต้องคิดก่อนแล้วสงสัยใช่ค่ะใช่ เพื่อจะไปหลงคิดมากให้คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดแต่หนูก็โทสะเยอะมากเลยค่ะดีดีดีเล่นดูหลายอย่างดีแต่หนูเห็นแล้วค่ะว่าโทสะโทสะมันมีหลายดีดีมากเลยแค่ความขัดใจหรือความโกรธแบบโกรธมันก็มีอาการอีกอาการหนึ่งแล้วก็เวลาที่ราคามันเกิดก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งเวลาที่โทสะมันจะผักออกมันจะดิ้นเล่นแล้วผักออกแต่เวลาที่มันมีราคะมันใจจิตมันจะตะคบเข้ามาค่ะ เห็นถูกแล้วล่ ะ, ะนะจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของความฟุงนะ<ะ>ฟ้งซ่านนะฟุ้งซ่านให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆ<ะ>ถ้าสมาธิดีกว่านี้ก็จะพัฒนาเร็วกว่านี้ก็ทุกวันนี้หนูก็จะเดินจงกรมทุกวันนะคะแต่ว่าหนูหนูจะเน้นเดินเยอะตอนช่วงกลางคืนแต่ว่าะระหว่างกลางวันเนี้ยหนูจะหยดกระพุกด้วยการ5้านาทีสิบนาทีแล้ว<ะ>แต่มีโอกาสนะคะดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะน<ะ>แต่ว่ามาถามหลวงพ่อว่ามีจุดอดอนอะไรอยู่ ไปลองดูฟุ้งเก่งนะไปแก้ตัวนี้เลยค่ะกะหนูก็ตั้งใจจะปฏิบัติบูชาถวายพระเจ้าถวายถวายหลวงพ่อแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่หนูตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งในอดีตที่ทำมาแล้วปัจจุบันที่กำลังทำและอนาคตที่จะทำจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเห็นไหมว่าช่างพูดเห็นไหมขอให เจ้าของบ้านนันทวันแล้วก็พนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผู้ติดตามของหลวงพ่อแล้วก็ท่านที่ทําเห็บไซต์พูดจริงๆเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่านะท่านที่ทําเว็บไซต์หนูได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยค่ะสาธุที่นี่เขาก็อุตส่าห์จัดมาตั้งนานแล้วจัดมาเรื่อยๆจัดแล้วยังเลี้ยงขนมซิ่งนะ พวกเราก็มาใช้พื้นที่ได้ฟังธรรมได้กินฟรีพอนาอย่าให้เป็นหนี้เขานะพาอนาเจ้าของบ้านเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เราหัดปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเขาก็ได้บุญด้วยเพราะเขาเกื้อกูลให้เราได้ทำดีแต่ถ้าเรามาฟังธรรมแล้วเราก็มากินหนมเขากลับบ้านไปเล่นต่อเราเป็นหนี้นะเป็นหนี้ อ้าว่ามาดาบนมัสการหลวงพ่อปาโมทปาโมโชนะครับอูเรียกซอเต็มยศเลยครับกอนอื่นขอเข้ามาพระอาจารย์ปาโมทปาโมโชนะครับทั้งอดีตและปัจจุบันเออดีตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับเออย่างดีนะบางคนบอกว่าที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีดอย่างไรมันจะมีแต่เรื่องไม่ดีครับเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับฟังซีดีนะได้แล้วล่ะ ฝังทีดีพระอาจารย์มาประมาณหน่งปีนะครับก็ปฏิบัติทั้งในรูปแบบและแล้วก็ในชีวิตประจำวันกไปสึกเอาถูกแล้วแต่ใจยังฟุ้งเก่งอยู่นะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่มันมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปแล้วรู้บ่อยๆสมาธิมันจะได้ดีคันน่้มันแยกได้ดูออกไหมคันมันแยกเป็นละทาไมหลวงพ่อรู้หน้ามันไม่เหมือนคนธรรมดา บอกแล้วว่าคนธรรมดาหน้าตาเป็นแบเนี้คนที่แยกขันได้หน้าตาเป็นอีกแบบคนที่รู้สึกตัวเป็นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะหน้าตามไม่เหมือนกันหรอกคนแต่ละชนิดจิตลงไปคิดก็รู้เอาเพ่งอยู่ก็รู้เอานะสิ่งที่ผิดมีสองอันเนืเ้อเผลอไปกับบังคับไวนะ้รู้ทันอย่างนี้นะไปทำต่อไปขอถวายการปฏิบัติตลอดชีวิตเป็น พุทธบูชาทมบูชาสังคบูชาอาเจยะบูชาแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยครับโอ้าชทุวันนี้บ้านขนมเนี่ยรวยบุญ <laughs> กรนมาสการพระอาจารย์ปราโมทนะคะก็ขอเขมาคื <laughs> อถ้าเกิดดีเออเกิดอะไรก็ช่างขมาเอา ร, <laughs> รับทราบนะก็ก <laughs> ็เป็นภรรยา นนี้ค่ะก็ปฏิบัติมาด้วยการทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจกวันนะคะอาจารย์แต่ทีนี้ก็คือตอนนี้ก็อยากให้ก็เห็นสภาวะทำเกิดดับในขณะขณะแล้วก็ก็อยากให้หลวงพ่อช่วยเห็นสภาวะก็ดีนะแต่ว่าจิตที่เห็นสภาวะเนี่ยต้องเป็นจิตที่สบายๆนะไม่ไม่ได้เห็นสภาวะด้วยจิตที่แข็งๆนะ อย่างกรรมฐานที่พวกเราชอบไปฝึกกันนะั้นเป็นกรรมฐานบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจแรงไปมันจะเครียดถ้าใจมันเครียดสัอย่างเดียวเนี่จิตเป็นอกุศล น, นะจิตที่เครียดเนี่ยคือโทสะมูรจิตงั้นอย่าภาวนานะเดินจงกร ม, มก็เครียดมากเลยจิตกําลังเป็นอกุศลอยู่ถ้าตายตรงนั้นไปอบายเลยนะไปอบายงั้นเราหัดรู้สภาวะรูปนามไปรู้ด้วยจิตใจที่สบายจิตใจที่ผ่อนคลาย จิตเบาเบานุ่มนวลอ่อนโยนนะแข็งไปนิดนึงไอ้ของเก่าที่ฝึกน้ําฝึกเพ่งอย่าเพ่งแรงขอบพระคุณพระอาจารย์มาตรการหลวงพ่อครับเป็นไงบ้าง <c oughs> ปีนี้ผมว่าผมจะไม่มีสภาวะทรงหลวงพ่อเนี่ยอ <c oughs> ไม่มีสภาวะทำมาทรงหลวงพ่อเเออเหรอไม่มีก็ไม่มีแต่มีคําถามพ่อ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปภาวนาไปจากจิตผู้รู้ที่ว่าเคยตั้งมั่นดีกับกลายเป็นจิตที่ว่ารู้ธรรมดาเนี่ยตรงนี้ฟุ้งไปงจิตมันฟุ้งสัน้นะครับมสมาธิมันหย่อนไปมันไม่สงบเลยนะตั้งแต่หลวงพ่อบอกมาปีที่แล้วให้ทําปับสงบมันไม่เออต้องทําหน้าไม่ทําไม่ได้หรอกจิตไม่มีแรงครับผมเราอย่าไปคิดเรื่องสง บ, บท <ำ S 2> ํบากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไป ทำไม่ได้หลวงพ่อผมพยายามนะทํากทำคือว่าเวลาที่ยูนเวลาที่อยู่กับงานทุกวันทุกวันทำงานเอางี้สิมันเจริญสติมันคือมันบริกรรมไปตั้งแต่เช้าอยนบริกรรมไปบริกรรมเจริญเมตตาไปนะเมตตาคุณางอรหังเมตตาเมตตาคุณางอรหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมสบายๆนะบริกรรมแล้วจิตหนักก็รู้จิตเบาก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ช่วยตัวเองนิดนึงสมาธิมันเสื่อม แล้วอีกอย่างหนึ่งโดยธรรมชาตินะคนเราเนี้ยพออายุเยอะขึ้นนะสมองมันจะเสื่อม<ด>สมองมันเสื่อมเนี่ยมันสงบยากนะครับใจมันจะวอกแวกวอกแวกไปงั้นเราบริกรรมช่วยมันนิดหนึง่งการที่เรามันมีสติทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนหลับมันทําให้พุ้งซ่านมากหรือเปล่าพุ้งไปพุป้งไปต้องทําสมาธิขึ้นมาแล้วจะไดาสติรวดไปเลยใช้ไม่ได้นะ เมืขับรถอะเหยียบแต่คันเร่งอะมันจะริญมันเองไม่เอาเราต้องเบรคมันนะกรรมาบริกรรมไม่ไม่เจริไม่ว่าผมจะขยับอะไรนะมันจะเป็นสติไม่เป็นแล้วมันไม่ใช่ตัวจริงแล้ไม่ใช่แล้วมันหลงใจมันไหลใจมันไม่มีแรงนะไม่มีแรงมันย้ำใช่ไม่มีแรงเนี่ยบอกเนี่ยเจริญสติไม่ใช่นะจิตมันไม่ไม่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนะถ้ามันไม่ตั้งมั่นเหมือนเก่าเออต้องฝึก สมาธิเป็นของเสื่อมนะถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมมันจะเสื่อมงั้นต้องซ้อมบริกรรมเมตตาไปตอนเนี้ยเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาครับบริกรรมเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวผมนี่มันยนต์เมตตาหรือเปล่าฮะมันยนต์ทางด้านเมตตาหรือเปล่ามันจะขี้โมโหส่สิบริกรรมเมตตาไปครับบริกรรมเมตตามีข้อดีนะเทวดา ช, ชอบ แต่ชอบแล้วเทวดาจะไม่ให้หวยนะ mm hmm. ถ้าให้หวยเราก็แสดงว่าเทวดาเกลียดเนะทวดาจะรักนะบริกรรมเมตตานะพูะพุทธเจ้าท่านสารรเสริญคุณของเมตตาไว้ทั้งสิบกว่าย่างนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ห, หน้าตาผ่องใสถ้าตายไปก็มีสติอไเงี้ยสอนไม่ตายด้วยสาราวุธยาพิษอะไรเงี้ยนะ สัตว์ร้ายก็ไม่ทําร้ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยไปฝึกเข้าบริกรรมไปเดี๋ยวสมาธิกลับมาก็มาทําต่อตอนนี้สมาธิเสื่อมครับเจริญปัญญารวดไม่ได้นะเจริญปัญญารวดไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันเหมือนมีดทื่อมีมีดทื่อไปฟันต้นไม้แนละ้วอป๊อ ก, ป, อกป๊อกไปเลยได้ต้นไม้ จ, กจักระจีไม่ขาดหรอกที่ผมตรงใจอยูมันมันมีสิ่งแปลกๆคือว่ามัน ดูไม่ออกอย่างกรณีที่ผมนั่งกินข้าวมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาแต่ละอย่างนะมันสับเปลี่ยนกันครอกมันมันเห็นนะแต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมัน่นมันเลยไม่ตัดออกเห็นอยู่งั้นเห็นสังตายไปไปเพิ่มสมาธิขึ้นรู้สึกไหมตอนนี้สมาธิเพิ่มขึ้นละนับรู้ครับท่านเอ้คุยกับหลวงพ่อพักเดียว่วาสมาธิก็มาล้นะ กำน้ำมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะไหนค่ะหนูต้องขอขอบคุณหลวงพ่อค่ะที่ทำให้หนูพ้นทุกข์ได้เมื่อหลายปีก่อนนะคะขอบคุณ แ, แล้วก็หนูส่งกลับบ้านครั้งแรกค่ะหนูรู้สึกว่าตัวงฟุ้งซ่านมากแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็ขี้มโมโหขี้โกรธ ด, ด้วยอะค่ะเราไม่ห้ามนะแค่ จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ชอบอยากให้หายโกรธรู้ว่าอยากอะไรเงี้ยนะรู้ทันจิตของเราไปสบายๆ ส, สังเกตไหมว่าเราเห็นแล้วว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหม อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นละวนะแยกอย่างน้อยได้สองอันลนะนเราเห็นความโกรธกับจิตเนี่คนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันอย่างนี้คือเรียกว่าแยกออกแล้วแยกแล้ว แยกขันได้เราจะเห็นนะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตก็ทํางานเองไม่ใช่เราอีกแล้วก็รู้สึกแบบว่าพี่มีความสึกว่ามันคิดอะไรที่ไม่ดีไม่ดีหรืออะไรพวกนี้ไปเห็นได้มันคิดได้เองใช่ดูไปน่าลักมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อมันไม่มีตัวเรานนะัจะมีความทุกข์อยู่แต่ว่าไม่มีผู้เป็นทุกข์ขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของ ก็กราบขอบคุณท่านคณะผู้จัดแล้วก็ทุกๆท่านที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะดีเขาจัดนะก็เราได้ประโยชน์เขาก็มีคุณมีบุญคุณรเราเราคิดถึงคนที่มีบุญคุณกับเราเขาเรีกตัญยูนะกระตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนชั่ว เ, เท่านั้นเองง่ายๆ ไหนคนไหนตามนิมตการหลวงพ่อค่ะโอกกับ้านกันที่สามค่ะ ท, ที่สามเหรอดีขึ้นไหมปที่สามดีขึ้นค่ะหลวงพ่อคะคือคือครั้งก่อนนั้นที่เคยถามกรับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ว่าสภาวะที่ว่าหลวงพ่อบอกว่ามันยังเข้าไม่เป็นมันตกกระแทกทีนี้หนูก็ไปทาํทาตามที่หลวงพ่อบอกปีนึงฟื้มสร้างมันมันมันไม่เข้าภาวะนั้นอีกเลยแต่มันมีภาวะใหม่เกิดขึ้นมา คือมันมีภาวะที่ว่ามันมันเหมือนว่าเราอ่ะรอบๆตัวเราเนี่ยผิวหนังเราอะไรเงี้ยล้อมๆตัวเราเน้่มันอุ่นๆแล้วก็มันนิ่มๆเบา ๆ, บาๆลมหายใจที่เข้าที่ออกมันก็จะยาวๆเบาๆนิ่มๆแบบ น, นู้นประมาณนี้แต่ทีนี้เราก็จะไปติดเพ่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึง่งเราก็ทําต่อเรื่อยๆค่ะมันหายไปอืมทีที่หายมันมันหายไปหนูก็พยายามตาม นี่หนูตามอยู่เป็นปีเกือบ ป, ป, ปีมันก็ไม่มาไปตามมาทําไมอ่ะหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรที <c oughs> ่ต้องไปเอา <c oughs> <c oughs> คือหน้าที่เรานะให้รู้สภาวะทั้งหลายที่กําลังปรากฏเมื่อรู้สภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตจินร้ายให้รู้ทันนะเนี่ยเรามโมแต่ไปหลงจะหาสภาวะในอดีต น, นะ <c oughs> พุ่งสร้างอย่างนี้ไม่ดีนะเอาปัจจุบันแล้วมีอยู่วันหนึ่ง พอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันมาของมันเองอะไรนะพอตื่นขึ้นมาพวกเรารู้ลงยังยังไม่ทันตืมตาเมันมาของมันเองเออมันรู้ได้เองก็ไม่แปลกอะไรแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงตัวเองกล่นด้วยเออดีดีว่าได้ยินคนอื่นกล่นแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการเรื่องอุบัติเหตุคือประมาณว่ามันเกิดประเหตุเราก็ไม่ได้ทันนึกมันจะมันเกิดเหตุอะค่ะเราก็เกือบไป ออืหมายว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์มันตกลงไปในล่องล่องคือประมาณช่องน้ําลิมทางแล้วข้างๆเป็นท่นปัดไอสี่ข้างรถมอเตอร์ไซค์มันก็กระแทกทุกป่าตลอดถ้าเราเบรคแน่คว่ำแน่แล้วข้างหน้าเป็นต้นโพธิ์จิตมันก็เฉยเออนั่นแหละจิตมันจะเกิดสมาริที่อัตโนมัตินะเวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันไม่กลัวหรอกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าอืมอาจจะตายนะแค่นั้นนหะค่ะนั่นแหละฝึกเพียงนั่นแหละมันเป็นเอง ทึงตายตอนนั้น่ก็ไปสุขติน ค, คือสงสัยมันทำไมไม่ยินดียินไล่อะไรไม่เป็นเพราะจิตจะทรงสมาธิอัตโนมัติถ้าฝึกเบี่ยงที่หลวงพ่อสอนนะฝึกสติสมาธิอะไรพวกเนี้ยแยกขันไปเนี่ยถึงจุดนั้นแล้วขันมันแยกเลยก็แสดงว่าถูกถางมาด้วยเออถูกอยู่ต้องฝึกอีกนะกอั น, นี้ฟุ้งไปฟุ้งเยอะค่ะแหลวงพ่อกันั่งไม่ใช่รู้สึก<น>ไมว่าชอบคล่ําครวนด้วย ให้รู้ทันว่าใจมันชอบคร่ำครวนนะนักปฏิบัติต้องเข้มแข็งอย่าครวนมากก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอาจริยาบูชาพรรมบูชาแล้วก็ก็แผ่ทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าของบ้านอนตะวันด้วยเจ้าของเว็บไซต์ด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ขอให้ได้รับตลอดชีวิตนะคะเราต้องทาดีตลอดชีวิตแล้วนะใช่ค่ะเราไปให้เขาตลอดชีวิตแล้วใช่ค่ะ เหมือ่อค่ะอันนี้ส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะส่งครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่รามาค่ะเออ <Okay. S 2> ใช้ได้ท้อค่ะรู้สึกแบบดีกว่าเก่ารู้สึกไหมก็รู้สึกว่าดีกว่าเก่าช่องนี้คือติดเบิกบานมากขึ้นไม่รู้ว่าหนูแบบติดสุกป่าแต่ว่าหนู <laughs> หนูเบิกบานไม่ติดสุขนะค่ะมันเบิกบานของมันเองแต่ว่าใจเราไม่ได้เข้าไปชอบมันหรอกค่ะใช่ค่ะเราอย่างนี้รู้อย่างนี้ถูกค่ะเหมือนว่า คือหนูต้องสารภาพบาปว่าหนูไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรเลยค่ะแต่ว่าคือมั น, ม, นมันทีพอสภาวาะเริเกิดมันก็จะรู้ของมันเองอะไรอย่นด้แหละเรียกว่าปฏิบัติอไอ้ที่นั่งจ้องเอาจ้องเอาเรียกว่านั่งทรมานตัวเองค่ะนะแล้วหนูขอเล่านิดหนึ่งค่ะ <c oughs> คือไม่อยู่วันหนึ่งหนูตากผ้าตอนกลคืนนะคะแล้วหนูมองไปบนท้องฟ้งฟาแล้วอยู่ดีแบบดาว ดาวบนจักรวาลก็ม่อยู่ในตัวหนูฮะรู้หนูมโนไปเองหรือเปล่าตัวรู้สึกว่าบางทีมันก็สุกขึ้นมาเห็นอะไรไม่สําคัญนะสําคัญถ้าเห็นแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขถ้ามีความสุขเราชอบรู้ว่าชอบจะไม่ติดนะถ้ามีความสุขแล้วเกิดชอบแล้วไม่รู้ว่าชอบอย่างนี้ถึงจะติดของหนูยังไม่ติดหอกค่ะแล้วหนูต้องไปพัฒนาอะไรอย่างไรคะไม่ต้องคิดเรื่องพัฒนาณะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย แล้วมันจะมีความสุขอยู่ช่วงแรกๆนี้เท่านั้นแหละต่อไปจิมจะเข้าอุเบกขามันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เราหัดใหม่ๆน ะ, จะเจริญสติจเจริญอะไรเนี้ยจินได้สมัครที่ส่งตัวเด่นดวงขึาา้นมาจะมีความสุขแต่พอมันเป็นบ่อยๆจินมันชินนะจะเป็นอุเบกขาไม่ต้องตกใจนะแล้วต่อไปอ่ะเห็นทุกข์คือช่วงก่อนนะ่านนิหนเห็นทุกข์ มาเยอะค่ะวินาทีหนูส่งหลวงพ่อบอกว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลของสิ่งภายนอกอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้คงไม่มีแล้วมั้งคะรู้สึกตอนนี้เราสบายเราก็ดูเอานะมันอยู่ที่บุญให้ผลมาเราก็สุขสบายอากรสลให้ผลมาเราก็ลำบากอะไรอย่างงี้เป็นธรรมชาติใช้ได้ภาวนาดีก็ผมครับขอว่ามาเลยนมำสการใช่ไหครับขอกัน เมื่อตอนปีใหม่พระอาจารย์แนะนำว่ายัางฟุ้งอยู่ก็สามเดือนผ่านไปดีขึ้นบ้างไหมครับรู้รตัวเอง<ะ>ไหมล่ะแนะนก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้น ร, รู้สึกมากขึ้นเออต้องอย่างนั้นนะแต่ว่าฟุ้งเนี่ยมันพร้อมจะกลับมาเราต้องภาวนาของเราสม่าเสมอ น, นะทำไปตลอดชีวิตเลยทั้งในรูปแบบแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็ยามจะรู้นนแนัเรีงแล้วอย่าไปค้นกว้าธรรมะมาก ขอแนะนำก็คือเรื่องปรุงเหมือนเดิมือเปล่าใช่ตัวนี้เป็นกิเลสหลักของเรานะแล้วเราทําสมาธิทำอะไรของเราสม่ําเสมอสามเดือนที่ทํามาเนี่ยจิตมีสมาธิเยอะขึ้นละแต่สมาธิเป็นของเสื่อมนะถ้าเราทอดทิ้งมันก็จะเสื่อมทําอีกไปทําทุกวันขอบคุณครับใช้ได้ขันมันแยกแล้วดูออกไหมเมื่อก่อนนะอย่าว่าแต่อย่าอยากขันเลยนะ เมื่อก่อนนะหาคนที่แค่รู้สึกตัวเป็นนะ่ะยังยากเลยหลวงพ่อเมื่อสักสามสิบปีก่อนนะตะเวนข้าตามวัดเนยเยอะเลยแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะบางวัดไม่มีคนรู้สึกตัวเลยบางวัดก็มีอาจารย์รู้สึกอยู่องค์หนึ่งสององค์อะไรเงี้ยน้อยมากเลยที่จะมีคนรู้สึกตัวแต่มาถึงวันนี้นะมันเลยขั้นรู้สึกตัวล้ที่หลวงพ่อเทศไปเรื่อยเรื่อนี่ย พวกเราฟังซีดีดู youtube อ่านหะนังสืออนะไรเรามาถึงจุดที่คนที่แยกขันได้เนี่ยนับจํานวนไม่ท้วนนะเราแยกขันได้ถ้าแยกขันได้คือเราจะเริ่มทำวิปัสสนาได้ละนะเราก็จะเห็นขันแต่ละขันแสดงใจลักไปนั่นแหละคือวิปัสสนานะถ้าขันมันไม่แยกภาวนาม่ได้จริงต้องแยกรูปนามได้ ต่อไปข้างหน้าพว่าคนคงจะเข้าใจธรรมะเยอะขึ้นนะเพราะเริ่มเดินมีปัชนากันแล้วอ่ะว่าม า, าคนไหนมา ส, ส ก, การหลวงพ่อทวนน้องก็มีใหม่ <c oughs> คือก็ได้ติดตามอ่านหนังสื อ, อ, อของค<ช>ุณ<ล>พ่อนอะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ทาสมาธิอนะคะแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากทําสมาธิก็แผ่เมตตาแบบแบบอภัยมารยาคือไร้รอบเขตไร้ประมาณ หลังจากแพศเสร็จก็กราบนั่ง ท, าท่าเทพธิดาเนี่ยค่ะกราบกับาพะกับพระพุทธกับพระพุทธูปอะค่ะก <c oughs> ับพระพุทธธรรมทสองแต่ในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าจิตเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสูงค่ะขณะการาบเสร็จครั้งสุดท้ายเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบบมีเม็ดเม็ดเม็ดไฟเม็ ด, ม ด, มดเป็นกลมๆอยู่ที่ตาแล้วก็สปาร์ควิ่งไปวิ่งมา อคุยยะหนึ่งก็คิดว่าอันนั้นก็คืออาจจะเป็นนิมิตแต่ว่าก็ไม่ได้ติดก็ดูอยู่ในที่มืดปะเหยู่ในที่มืดปะอยู่ในที่สว่างที่สว่างถ้ามืดมืดเนี่ยบางทีเห็นวิ่งไปวิ่งมานะต้องไปตรวจสายตานะคือเจอภาษาตามเสื่อมหลังจากตรงนี้ผ่านไปก็ก็เหมือนเราคิดว่าคือนิมิตแล้วตัวเองไม่ได้ชอบนิมิตคือคือแบบ ไ ม, ไม่ได้ติดนะคะก็หลังจากจบตรงนิมิดหยุดไปแล้วเนี่ยก็กะเภาะทีแล้วก็ลุกขึ้นแต่เวลาลุกขึ้นนี่เรารักษารักษาสภาวะค่ะรักษาสภาวะให้ใหมีอยู่เราก็เดินในขณะที่เราเดินไปเนี่ยเราก็จะเห็นการก้าวเดินของเราเนี่ยมันเป็นช็อ ต, อตคือเห็นทุกก้าวย่างจะยกมือไปบิดจับประตูมันก็เห็นกันเลื่อนไป แล้วก็ขณะเดินที่ผ่านคนเนี่ยเหมือนเราเราเห็นเขาแต่เหมือนเราไม่มั น, น, น, นไม่รับอารมณ์อะไรนันนนจิตมันทรงสมาธิอยู่ะไม่ทนะราบว่าขณะนั้นอยู่ในสภาวะระดับไหนจิตเป็นสมาธิอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิอยู่นะมันจะเห็นทุกอย่างเป็นช็อตช็อตชอตชอตนะ mm hmm. ควรจะถอยออกมาให้จิตอยู่ในโลกของคนธรรมดาแล้วก็เห็นสภาวะเกิดดับไป ถ้าทรงอยู่อย่างนั้นใจมันะนิ่งใจมันจนิ่งไปเรื่อยๆนะต่อไปบางทีเห็นโลกเกิดดับนะแต่ตัวนี้เที่ยงอยู่อย่างนี้นตัวรู้มันจะคงที่อยู่แล้วนะเรา่าไปรักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้เองก็ให้มันเกิดดับด้วยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยจะมีความรู้ในการแบบว่าต้องดูว่าเกิดดับอะไรนค ะ, ะก็เลยแบบถ้าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราจิตเ ป, เป็นสมาธิขึ้นม เวลามันเกิดสมาธินะในระดับอุปจาระค้างอยู่เนี่ยนะโลกนี้จะนิ่งๆไปหมดเลย mm hmm. เห็นอะไรก็นิ่งๆดูคนนะมันจะเป็นอยู่างเงี้ยนะแล้วอย่างนี้คนรจะไปต่ อ, อยังไงอะคะรู้สึกตัวอันนั้นยังไม่รู้สึกตัวจริงนะจิตมันติดสมาธิติดอารมณ์ของสมาธิอยู่มันนิ่งมันแค่อย่างนี้เรียกว่าแค่ระดับสมถาะาเป็นสมถะ เหมือนเหมือนเดินปัญญานะไม่เดินจริงหรอกมันเห็นทุกอย่างแสดงใจรักนะแต่จิตเที่ยงเพสงสัยว่าทําไมถึงเป็นตอนตอนตอนตื่นตอนปกติที่เราก้าวเดินคือเราไม่ได้นั่งอยู่เราไม่ได้จงใจสิสมาธิาเกิดเมื่อไม่ได้จงใจถ้าจงใจไม่เป็นหรอกหลวงพ่อ พ, พูดเคยสอนนะว่าสมาธิาเกิดเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเกิดเมื่อหมดความคิด วิปัสสนาคือการเห็นนะไม่ได้คิดเอาหมดแล้วยังค่ะนะมาสการค่ะวันนี้ยมไม่ได้ส่งการบ้านแต่ยมกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เพระคุณกับลูกอย่างสูงแล้วก็กราบขอบต่อไปดูสภาวะน ะ, ะดูแบบไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะดูสบายๆต้องสบายกว่านี้น ะ, ะนวันนี้ตื่นเครียดไปวันนี้เพ่งมากเลยไม่ทราบ ปล่อยไม่ได้ปกติจะดีกว่านี้ปล่อยไม่ได้เราก็ถือไม้อยู่แล้วอบกล่าวขอพอบคุณเจ้าของบ้านอันวันนี่เอื้อเฟื อ, อคนเพชรบุรีตลอดมาค่ะอ ข, ขอบคุณดูเอานะใจขันมันแยกเป็นเน้วละใจมันยังฟุ้งเก่งอค่ะกลับนมัสการค่ะหนูเคยพิจารณานะคะตามพระตรลสกันนะคะ แล้วก็มันมีอารมณ์ขนาดหนึ่งอะคะ่ะมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันหายไปอ่ะคะ่ะมันเมื้อว่างแล้วก็ไม่มีอะไรไปที่ยืดเี่ยวสําหรับเราอแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็มาเกาะต้นเสาค้างๆตัวเองไหมเหมือนกับปัญหาที่ยืด เ, <ร>เยืีอปัญหาะะที่เกาะค่ะหลังจากนั้นก็พิจรารณาแล้วก็เห็นว่าทุกๆอย่างอะคะ่ะมันเป็นทุกอะคะ่ะก็ตอนนี้ก็พิจรารณาแล้วก็มันใจมันมีความยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วไม่ทราบว่าจะต้องยังไงต่อคะพัด ขงพ่อคะพ่อนาให้สบายๆนะพอนาเป็นสบายๆ อ, อ, อย่าให้เป็นเครียดอย่าจริงจังจริงจังเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะมักไปพอนาพอนาไปายสบายๆใจเราก็มีความสุขนะเห็นรูปเห็นนามสแสดงใจรักไปใจเราสบายๆอันนี้พอนาแบบจะหักคอกิเลสให้ได้จะเอาอ่ะพอนาเนาจะเอานะ ให้ดูเอาไปนับเพื่อจะได้เห็นความจริงของรูปนามไม่ได้ราณนาเอาอะไรดูสบายๆรุนแรงไปรู้สึกไหมเออลดความรุนแรงลงพอสมควรแล้วอ่ะรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิยิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสเพภูเรนตุสังกปาจันทูปนรโสยถามณีโชติรโสยัถาสภีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังอุทาปจายิโน จตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุ ข, ขงังภะลังฟานธรมทนานะทั้งผู้จัดทั้งผู้ฟังนะเจอกันก่อไปต้องดีกว่า น, นี้นะ